สองกันหลงตาก็อยากบอกความเทศขวามกิงที่มือในชีวิตของเรานะเราจะอยากฟังอยากได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้คงจะมีบ่มห้อยอย่างเดียวกันที่เร า, านั่งที่นี่ทำวัดสวดมนต์เริ่มมาแล้ว กุยทางมาแล้วก็จงบอกกันให้มันถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราเริ่มต้นมีจัตทามีความเชื่อมีความตั้งใจมีความเพียรมีการกระทําเรามาศึกษากันเถอะไปรู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้น ไม่เข้าใจถึงได้คนจะเข้าใจถึงนั่นยังเห็นแจ้งถึงได้ถ้าไม่เห็นแจ้งในถึงนั้นก็มีอยู่ในกายในใจเรานี้ถ้าเห็นกายเห็นใจยังไม่แจ้งยังไม่ถลงุงไม่รู้เงื่อนไขไยังไม่เปิดประเด็นเหมือนกับเราศึกษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าไม่ไศึกษาก็าไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรหมอพิบาลมีการศึกษามองออกได้ข้อมูลจากคนป่วยคนเจ็บมินิฉัยเปิดประเด็นดูแล้วก็รักษาได้ชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าเรายังไม่ศึกษ า, ากเข้าถึง คิดถึงภัยเลยได้มีภัยมีอันตรายกวามโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจริงเหล่านี้น่าจะผ่านก็ยังมีภัยอยู่ถ้าเรามาศึกษามีสติเป็นตัวถลุงเข้าไป เห็นมีการกระทำมีกายมีจิตที่มันรู้อะไรได้เนี่ยเอามาประกอบกันศึกษาดูนั <c oughs> <c oughs> ่นองอยู่นี่รู้อยู่นี่อา้าทําไมไมันคิดไปโน้นแตรู้อยู่ดีๆทําไมมันจุกมันทุกข์รู้อยู่ดีๆทำไมไมันเหมื่อมันหน่ายมันเครื่องเครียดรู้อยู่ดีๆทาไมกวุ่งเหงาหอน <laughs> นี่มันก็สดแสดงให้เราเห็นเราจะเฉยมยศึกษาศึกษาแล้วมันจะรู้ไม่รู้ ก, ก็รู้เมื่อเยี่ยงไม่รู้รู้ไม่แจ้งก็จะรู้แจ้งนี่เป็นอันหนึ่งนี่เป็นอันหนึ่งจนศิทธิะถเห็นกายเห็นไปเห็นมาก็เออกายสัพพกายไม่ชัดัดบุกคลตัวตนเราเขา เห็นความสุขควาทุกข์ภาษาบานเราสุขทุกข์ภาษาอินเดียว่ะภาษาบาลีว่าเวทนาสุขเขเวทนาทุกข์เวทนายังไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าเวทนามันพร้อมจะสุขมันพร้อมจะทุกข์ยอไปไหวใจถ้ายังไม่เห็นแจ้งมันเกิดขึ้นได้อันสุขอันทุกข์นั่นเรียกว่าเออมันก็เห็น นั่นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเกิดขึ้นเพราะม่กายมีใจอา้าวเอกจา ก, กายแล้วก็เกิดทั้งคิดเรียกว่าคิดอา้าวนั่งอยู่ดีๆมันแสดงบทบาทมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ่กว่าสติหลงไปเกิดความคิดทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งทั้งที่ไปได้ตั้งใจเลยตั้งใจจะมาอยู่นี่ทีแรกามาอยู่นี่มันไม่ได้ตั้งใจมันหอบผิวถือกระเป๋ากับบ้านเด้มีเหมืนกันน้อตาเคยเห็นเฮ้ยมาจาก อ, เอ่เภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นตั้งใจจะมาอยู่ตั้งใจนานแล้ว ตั้งใจพยานแล้วจะมาปฏิบัติธรรมผมว่าอยู่ไม่กีวันพายบาทด่ <c oughs> ากับบาทอา้อาวว่อสีห้าวันทําไมตั้งใจมาดู้วันนี้มันทําไมาจังพายบาทกับบาทอะไรมันเกิดขึ้นโอ้เอ น, นั่นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอ่างนูง่นอ้างนีง่น เอาเมื่อมาแล้วมันทำไง่ะราตั้งใจมาอันที่มันคิดจะกลับอ่ะอะไรตั้งใจไปไหมอะไรผเกิดขึ้นรู้ไหม <c oughs> ดูสิมันคิดเลยขึ้นมาจกไปไหนะอยากทําอะไรก็ทําตามความคิดมันไม่ถูกต้องสวรรค์ไปให้ความคิดปลงการหมงงานดูดีๆเรามาศึกษา แล้วก็อย่าไปเชื่อมันทั้งหมดเรืม่มันคิดถึงวัดหรอว่ามันคิดถึงเราไหมคิดถึงบ้านไปถามเสาบ้านเสาวลวนอยู่เสาบ้านเสาหลวนมันคิดถึงเราไหมคิดถึงเข้าถึงของเข้าของมันคิดถึงเราไหม ตอนเราจะมาเราบอกเราทําอะไรไว้แล้วดูดีๆนั่งวางคุยกันเล่นหัวเราะกันส่วนหัวเราะกับคิดตัวเองผมเคยหัวเราะกับคิดตัวเองผมเคยด่าตัวเองผมเคยทักท้วงตัวเองมาหลายพบร้อยชาติ ท่กวงความโศกความทุกข์เรามาดูมาเห็นมันแสดงให้เราเห็นไม่ใช่เรามาเป็นใหญ่เป็นโตงอผิวเราไปไงถ้าจะพูดถึงความคิดน่ะมันก็มีเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าคิดถึงสีท่ทัถศนอคิดถึงลาหุนศี่ทัศน์คิดถึงลาหุ น, ส, หนสมัยยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า สิทธะคิดถึงพิมพาจิตสิทธะคิดถึงพระราชนทรศิลป์ ช, ชะดึงขานสิทธะอาจจะคิดถึงประสาทสามระดูเมื่อเปรียบเทียบกันนั่งอยู่ต้นสีมหาโพมันเปรียบเทียบกันไม่ได้สุคุมมระาชาติมีสนมกำนันในดูแลพ่พาไปปราบริวาร ยิ่งใหญ่กว่เราเราลงจากกติมานี่มันมีประสาทสำลูมันเหมือนสิทธธรรมะ ด, ด, ดูดีๆพูดไปก็นั่งวัง <laughs> เออเออเอ้ยไม่ไปแล้วอ่ะฝายบาทกับกติเหมือนเดิม <laughs> ก็ดีนะอ่อ <c oughs> มันก็มีเหมือนกัน เราจึงมาเห็น่เห็นเห็นชัดๆเห็ความคิดนันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลโตโตนหลโขโหลเคยเสียเปียบความคิดแบบนี้มาชิดลักกณรักษณ์เข้ังก็อชังทำตามความลักทําตามความชังไอ้ความลักก็มีความจังอยู่อันเดียวกันวัตถุอันเดียวกันไอ้ความจังก็มีความลักษ์ในวัตถุอันเดียวกัน แล้วแต่เราจะสมมติบัรจัตเอาล้วก็ดูว่าเราจงมาเห็นอะจิตก็ไม่ใช่เป็นศักว่าจิตไม่ใช่ศัตุกุลตัวตนเราโท่วงมาลงไปโต้โต ป, ป๊ะกปอยให้ใหญ่ๆสักหน่อยให้มีอำนาจสักหน่อยเพื่อจะแย่งความป่าเถื่อนอันใดที่ไม่เป็นธรรม เหมือนการเมืองที่ก็เปิดประเด็นการเมืองขึ้นมาให้เห็นกันก่อนเปิดประเด็นขึ้นมาเอาบัญชีษเนี่ยมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาลูวมันก็เปิดประเด็ น, นการเมืองนักการเมืองบางคนจนถึงกับตัดชิ้นติดคุกที่ตลางไปจนตัดสินยึดทรัพย์ยึดสิ้นจนอะไรต่างๆเยอะๆไป เกิดเกินยุบ พ, พักนั่งพักนี่เกิดเกิน <c oughs> อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาอันนั้นสมพมูปัญญาตามรัฐธรรมนูญอีวิตเราก็มีรัฐธรรมนูญความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมก็มหลงมันเป็นธรรมไหมเอ่ยรูปเป็นธรรมไหมความทุกข์เป็นธรรมไหม ผมรู้สึกตัวเป็นทําไหมประเด็นให้ลองให้สัมผัสจนขี้หนะ้ามักายสักว่ากายไม่ใช่จตุ ค, คุณตัวตนโลเขาอย่าเป็นจุขเป็นทุบพอกกายเกินไปเอากายมาเป็นปัญญาให้เห็นที่มันแสดงออกมันแสดงออกเยกอะแยะเลยเป็นจนเป็นวัสดุสติปัฏฐานสูตรอรตะลัคนาสูตรอ ร, ตริสัตสูตร สูตรของคีวิตของเรานะจบเลยลเราจึงไม่การศึกษากันถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้หลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายไม่เป็นธรรมต่อโลกแทที่ชีวิตเราจะเป็นํำที่สุด แล้วมันก็สร้างสัต์ได้ไม่เหมือนสัตว์ในราชาเพราะมันหลงก็บรูปสักตัวนะมันเกิดอลไรก็มันทําได้แต่ว่ากลับมาถินแน่แน่แ น, แ น, แน่นอนที่สุดชีวิตของเรานะนีกายมีใจเมื่อศึกษาดีแล้วเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามประเด็นเน่ได้ขึ้นมาเมื่อเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามได้ข้อมูลที่แม่นยําชัดเจน เราลูกเป็นข้อมูลความสุขความทุกข์ในลูกความสุขความทุกข์ในนามมีข้อมูลในความสุขมันเป็นปัญญาในความทุกข์มันเป็นปัญญาถ้าเรายังไม่ศึกษาในความสุขความทุกข์มีปัญหาปัญหาเป็นปัญหาความทุกข์เป็นทุกข์ความสุขเป็นสุข ความโกรธความโลภเป็นความหลงเป็นความโลภเป็นความโกรธความมองหลงแสดงกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแสดงความหลงแสดงความทุกข์แสดงความโกรธแสดงความโลภแสดงความหลงไม่รู้จ anyway. ะกอดด้านไปเลยชีวิตของคนไม่เหมือนอันอื่นเราจึงมาศึกษา ให้มันจบให้มันรู้แจ้งในความโกรธมันก็มีความไม่โกรธในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์ในความเกิดความแก่ความเก็ียดความตายมันก็ไม่มีความแก่ความเกลียดความตายมันเตี่ยนได้ด้วยปฏิบัติมันทัำได้ใจของเรารูปของเราทำดีได้สําเร็จ มาเามาละกองชั่วได้สําเร็จน <c oughs> ทำอะไรก็ได้รูปเนี่ยน้ําทำอะไรก็ได้ประโยชน์เกิดจากรูปจากน้ํามากมายกายกองโทษเกิดจากรูปจากน้ามากมาย่ายกองโทษต่อรูปต่อน้าเอง ถ้ามีโทษต่อรูปต่อนามก็มีโทษต่อสิ่งเงินวัตถุอื่นถ้ามีประโยชน์ต่อรูปต่อนามก็มีประโยชน์ต่อสิ่งเงินวัตถุอื่นมันแน่นอนตรงนี้มีประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งถ้าไม่ศึกษา ก, ากเา็เป็นโทษเป็นภยัยจิบหายวายวอดโดดโลนท่ว บ้านโลกเมืองทั่วโลกไปเลยแค่นี้ชีวิตของคนในโลกก็มีโทษหนี่งมีรูปมีนามทำไมไม่ควบคุมทำไมไม่ศึกษาให้เกิดประโยชน์เราจึงเจริอเจริญเจริญเจรประโยชน์เกิดจากรูปจากนา เหตดอันโทษที่เกิดโทษจากรูปจังน้หน้าที่จะป้องกันได้เหมือนหนุมานสร้างไฟไม่บองหลังกานั่นก็เกิดจากหนุมานนั่นเองมันเกิดไปอยู่ที่หางมันวิ่งไปไหนไฟลุกเท่านั้น คนที่ตอนดับไปก็ดับไว้ที่เท้มันเกิดจากหางขข้งหมานใช่ไหมลงตาไปดูหนังตะลุงภากใต้ภาคใต้ก็ขึ้นชื่อหรือชาวหนังตะลุงมันก็ดีนะได้ประโยชน์เขาโลกโลภพวกเราก็มีไปดูขอโลก อยากดูไหมสแสดงให้ดผูผีเข้าคนก็รอพระสงฆ์ผีเข้าคนเอาหมอไปไล่ผีหมอนั่นก็นไปหมอนี่ก็ไปไปไล่ผีไม่ออกเลยมีคนหนึ่งโอ้ยไม่ยากไม่ยากเออทำไงละ่ะ แล้ว ด, ดีกาของวัดมาอ่านให้ผีฟังดีกาเมื่ออ่านขึ้นมาเขาแสดงนะก็อเลี้ยไรเขาทอดกฐินทอดผ้าปาอ๋อเลี้ยไรสร้โน่จสร้างนี่ไปเลี้ยไรอ๋อบริจาคอะไรต่างๆอ่านให้ผีฟังยี่งกว่าบริยินกน็โอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้ววิ่ง อะไรสักทีเยอนี่พอเห็นพระอาจจะไม่เป็นมงคลแล้วบางทีถามพระเลขาเจ้าตําบลไปไหนมาไปหาขอผ้าป่านหาเลี่ยดลายแต่ก่อนคนเห็นพระเนี่ยเพิ่งบ้าใจตอนเห็นพระอยากกรบอยากดิกเพราะมีแต่เลี่ยดลายในสละในกติ มีแต่ตู้บริจาวัดเรามีไหมนี่ตู้วริจากไปไหนนั่งตั้งอยู่นะเพราะนั่นเรานม่ผีกลัวละะ น, น ะ, ะนเราแสดงการลอบพระอ่านี่หนังตลุงนี่เรานี่ยก็แสดงแสดงอะไรเราจึงมีการปฏิวัติธรรม บางทีก็มันเป็นผลกระทบต่อสิ่งเหนือวัตถุอื่นการปฏิบัติทำเ น, นี่ยมันอยู่ในกํามือเราปฏิบัติได้ให้ผลได้สนุกเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สนุกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สนุกเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้สนุก ไม่ให้แต่ความเจ็บสนุกเปลี่ยนเป็นความรู้ร้องตานอนป่วยอยู่ร้องไม่ววานจุลละปวดมีคนมาถามว่ามีแต่พูดแสนุกป่วยสนุกเก็บมันก็ทำได้เพราะสติเนี่ยมันทำได้มันก็เยี่ยวยานะน ไม่หมดตัวไปกับความปวดไม่หมดตัวไปกับความปว่วยภาวะที่ไม่เก็บภาวะที่ไม่ปว่วยมันไม่อยู่มันมีที่อยู่ถ้าเราไม่หัดมันก็จนถ้าเราหัดมันก็ร่ารวยขึ้นมาล่ะรวยอะไรรวยสติรวยความรู้จึกตัวไม่ขาดแทนเป็นอลิรชบอบอ่ะเรียกชอบภายใน ตราหาได้เราทำได้เนื่องมันมีอรซับไปไหนมันก็มีไปทั่วไปเลยหลายคนอาจจะไม่คิดถึงลูงตาหลายคนอาจจะไม่ไม่ยินดีแต่อันริงที่คิดถึงลูกตา อ, อาจจะมีอย่างน้อยก็ต้นไม้ เออหลงตากับบาดต้นไม่คิดถึงเราเดินไปเยี่ยมต้นไม้กันเหี่ยวเหี่ยวมันเฉวแสดงว่าเขาคิดถึงเราพอเราไปให้น้ำเขา ข, อ, ขอบคุณเราโอ้ยถ้าหลงตาไม่ช่วยหนูตายแน่ ๆ, ๆเลยครับเดินไปที่กะตสิบหกไ่รู้ใครปลูกต้นไม้เจ็ดแปดต้น ตกำลังจะตายเราก็ให้น้ําก็ให้น้ําก็ชื่นขึ้นมาใบเขียวขึ้นมาอต่น้อยต้นไม้ก็คิดถึงเราไม่ต่ำกว่าเป็นแสนเป็นล้านต้นแ้วแต่ตั้งแต่เกิดกรรมมาถังขึ้นมาลักทุกอย่างลักเม็ดหินเม็ดตินเม็ดทายลักน้ำลักอากาศไม่เบียดเบียนอะไรเล ย, เลย อยางน้อยน้ำในสระอาจจะเห็นหลวงพ่อเคศอะไรเด็ดมาไหมหลวงพ่อเด็ดเคดใช่ไหมเห็นว่านลูกบอลอีิ่มเลยน้ำคุนๆทำไมน้ำใสขึ้นมาอยางน้อยห้องน้ำแถวศาลาหอฉันหน้าคิดถึงหลวพ่อชิเด็ด เวลาไม่กลินโอ้ยหลวงพอ่อเออมาช่วยด้วยป่วยแล้วป่วยแล้ ว, วแล้วก็เอาเอ็มไปใส่หาห้ป่วยเลย mm hmm. เคยได้เห็นน้าห้องน้ำนะป่วยไหมมีกลิ่นเหม็นเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าน้อยก็ไปคีน้อยเป็นหูเป็นตาแห้บอกเราน้ารั่วหลวงพ่อน้ารั่ว เราก็ปิดน้าน้าไหนจะรั่วถ้าไม่ปิดละปานนี่มันแห้งแล้วมันก็ลูกดใหญ่พอสองกวรแล้วก็ปิดน้ําวันสองวันนึกเขาบอกเราเอามันรั่วอีกรั่หนึ่งลงตากันไปดูอีกรั่วอี ก, อกปิดหรือยังนะทาไมไม่บอกจะว่ามาปิดอนี่ก็เป็นตาแต่น้ําแห้งเวลาไรก็ต้องต้อง ออกมาจะเรียกไอ้ขีน้อยปิดฉันด้วยปิดฉันด้วยชันจะหมดแล้วเป็นหัวเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นสติปัญญาอันนี้เราก็ถ้าเรามาช่วยตัวเองมาดูอะไรออกก็ดูออกทําไมเรียกไม่ช่วยเกินไม่ช่วยตัวเองป่อยตัวเองทุกทําไมป่อยตัวเองหลงทําไม ปล่อยตัวเองโกรธทำไมแล้วก็อาจจะตำหนิแบบคนนั่นทําไมเราหลงคนนี้ทำไมเราทุกข์ไม่ใช่เลยมันอยู่ที่เราแน่นอนเรามีสติไม่หลงเรามีสติไม่ทุกข์เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใจสติลงไปหัดใช้สติเดิมมันหลงรู้เอ า, เ, อาเราเป็นประชาธิปไตยธรรมมาธิปไตย ธรรมะทีปัจยโลกาที่ปัจจัยอัตตาธีปไตจัยอัตตาทิปไตจัยแต่ก่อนกลายเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่โลกาที่ปัจยโลกเป็นใหญ่ยมทุกสิ่งทุกอย่างรูปรดกลิ่นเสียงที่สุดก็คือธรรมะที่ปไตยธรรมเป็นใหญ่ เข้าข้างนี้มีสติมีสัมผยสประกอบขึ้นมาเป็นหลักฐานของชีวิตเราให้มั่นคงก็ามีธรรมมาที่เราจะเหนือการนเกิดจเจ็บตายได้เราจึงต้องฝึกขัดนี่และกรรมฐานเนี่ย ไม่ต้องไปศึกษากเรื่องื่นหรอกถ้าจะศึกษาชีวิตจริงๆหรือใครมีปัญหาอย่าหลบลีกทางอื่นมาที่นี่เราจะเป็นเพื่อนถ้าใครมีปัญหาก็มาช่วยกันมาที่นี่มาร่วมมือกันไม่อันที่รอให้เราช่วยอยู่ยเยอะแยะเลย เดี๋ยวนี้ขาดแคลนผู้ดับในร้านศาสนาจริงๆเห็นตัวอาจารย์ตามรเรียนต่างๆมาหาที่อบรมนักเรียนเมื่อสี่ห้าวันก็มาจากโน่นโบรีหลังบาทหลวงสมชัยเป็นเพื่อนกันจะเอาครมาอบรมจะนักเรียนมาอบรมกระพาะสองสอ ง, ส, อ ง, ส, องสามเห็นลูก เมื่อสองวันมาเนี่ยมีนักเดียนมาอบรมที่วัดปู่ขาทองสี่ร้อยกว่าคนมาสองสามรอบแล้วมีพระวิเยกรมาร่วมจับได้เลยนักเดียนสี่ห้ารอยคนเงียบเลยเขาฝึกผลตนเองมาดีมีประโยชน์ ก็รู้กันรู้จักกันสมัยก่อนเขาเคยมาปฏิบัติธรรมกับเราสมัยเขาเป็นเนนเรายังไม่ศึกเขายังบวชเป็นพระเรียดศึกษาในความรู้เดี๋ยวนี้หาเป็นวิทยกรสอนนักเรียนทั่วประเทศมันทั้งหายากพวกรเราเลยก็วิวัฒนาการขึ้นมาอย่ามองบกมุนในเรื่อง ส่วนตัวส่วนตัวกันศึกษาเรื่องกรรมฐานเนี่ยมีเงื่อเนเื่อแข็งแรงมากเอาลงไปประโยชน์เกิดจากกายจากใจเกาิดจากรูปจากนามของเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่สุดลยิ่งมีชีวิตหนุ่มๆพระสงฆ์หนุ่มๆเอาเสพวกเราจ อย่าแบ่งอะไรเลยให้สักชาติหนึ่งมาช่วยกันเถอะอาจจะเป็นชาติที่เราต้องเวลานี่เราต้องช่วยทำประโยชน์ให้ได้จะมีอะไรที่มันพอบอยู่หลายยาที่มันพร้อมจะทำความดีลูับปมณนเนกาโคขปมนันเนกาธรรมประปมเนกาพร้อมแล้ว โอสัพปะมันิกามีเสียงบอกความเท็จความจริงเกิดจากเสียงที่เราออกมาจากรูปจากนามธรรมะปรมมานิกามีธรรมออกจากเสียงเสียงสินเสียงธรรมไม่ใช่เสียงดุดา่านินทาฉเ ส, สริญผ่านไปดังเสียงอันที่นั่นละผ่านไปเลย มีเสียงโคชุปมันเดกาลูกขับปมเนก้ามีรูป <c oughs> มีรูปมาช่วยกันนี่หลวงตาจะไปดูคนเจ่งที่ไต้หวันเมื่อวันที่สิบสี่เดือนหน้าเนี่ยเอาหนูนหนไปเป็นพิกษุนีอายุรุ่นเดียวกับหลวงตาเลยลูกขับปมเนก้า มีลูปมีนามไม่หลังขดหลังก่งขาหักตาบอดเฉยได้จึงจะนั่งให้ดูเรินให้ดูกชัยได้แล้วจะไมมข้าพุทธเจ้าพระสงฆมหนุ่มๆเพียงนั่งให้ดูอย่างพระอนุณเนี่ยไปขอเดือนน้ำแบบ ผู้หญิงที่ตักน้ำโบเวลาพระนุนเดินผ่านทุ่งแบงไปขอดื่มน้ํากับผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่ตักน้ําำในบโบน้องหญิงขอดื่มน้ำสักน้อยหญิงสาวคนนั้นก็ตักน้าให้ดืม่มเห็นพระนุนก็ชดถ่าเลย ทั้งลักทั้งหลงทั้งเลยไหมโลสัทธาในสุ่มเสียงสัทธาในรูปสัทธาในกียรมารยาตมาจะไปตางน้ำเข้าบ้านไม่เข้าบ้านเลยหตามพระโดนบอดตามไปถึงวัดเชตวันนอนว่ไปถึงวัดหออรอพระดนไม่ให้เข้าวัด ไม่ต้องเข้าไปละน้องหญิงมาส่แงแค่นีก้ก็พอแล้วหญิงสาวกำลังขอตามไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาออกไปออกไปเอียพอดีพระพุทธเจ้าเห็นได้ยินเอออะไรแนอนอนก็น้องหญิงจะตามเข้ามาแล้วก็ผิดวิตรัย เลยไม่ให้เข้ามาให้เขาเข้ามาเถอะให้เขาเข้ามารอดีก็พระเจ้าก็เทศนาช่วยก็จะถวบวดเป็นทิกษุนีเลย <c oughs> บางทีเกียร์มันยากเนี่ยรูก้กบประมาณนการโคจปรังในกามันก็พร้อมแล้วที่จะทำความดีเท่าไหร่ก็เท่านั้นมี กียมยาก็จะแสดงออกมีคำพูดจะคำว่าแสดงออกนีทำแสดงให้ดูแสดงความประดีเมตากุณนาเราแสดงออกต่อกันละกันมันแสดงได้ยิ่งเราเป็นนักปวดเมืองไทยไม่ใช่เมืองอื่น คนก็ชาวพุทธเราก็เป็นวัฒนธรรมัดีงามเช่นเรานั่งอยู่นี่ระบววยโสภิกาก็นั่งอยู่โน้นมาร่วมกันสาธยายธรรมฟังธรรมโฉดมนแล้วก็ยิ่งดีแย่เดี๋ยวนี้มันพร้อมที่จะแสดงความดีต่อกันไม่ควรแสดงความดืดล้นให้โลกเข็ดช่วยกัน ต่อเกันต่อยอดให้ญาจิโยนที่มานั่งอยู่นี่พร้อมแล้วมาจากทุกสารทิศแล้วก็ต่อยอดให้เอาทำนี้อันอื่นเขารู้แล้วเป็นหมอก็มีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาก็มีแล้วก็ต่อยอดให้เอาทำนี้ไปต้องการธรรมะมันเป็นอันเดียวกันมีสติไม่ชำนิยะ มีกรรมาฐานกรรมาฐานสอนง่ายง่ายไม่ต้องยืนน่ากระดานยืนหน้าห้องอธิบายอะไรต่างๆเพียงแต่อยู่กับเขาเองให้ยกมือเคลื่อนไหวไปมาให้รู้สึกตัวนะถ้าเป็นภาษาพูดไมได้ก็เอามือไปเคาะดูร mm hmm. ลงตาเคยสอนคนหลังเขาก็มาบอกเราไม่ต้องสอนเรานะ เขาพูดอย่างนี้ก็ลังพระทังสอนเราจะให้ทำอะไรพาเราทำเลยเขาก็พูดอย่างนี้ดีไหม อ, อู้หูเจ๋งเขาเขาใยตรงจริงๆนะจะให้เราทำอะไรพาเราทำดูทำให้เราดูเราก็พูดกันไปรู้เรื่องแต่เขาแปลออกไปนะแเราก็พาเดินโยงกลม นั่งเดินแข่งก็พอเดินก็เนี่ยเอามือเค็ะเขาเข็มเอามือเข็มแข่งเขาลู่เขาลู่เขาชอบพลังอะว่าเอาแหววเอาแหววไม่พิการบุตเข็ลงว่าลู่ลงว่า เกินเก้าเ็หนึ่งเก้าเก้าะสองเก้าสองเก้าสามเก้าสมเก้าสี่เก้ายี่สิบเก้าสามสิบเก้าเข้าไปเรือยๆไปเขาเได้เขาทำไดเขาเคยเดินางนี่เรียกว่าง่ายไม่ต้องอธิบายไม่มีคำอธิบายสัมผัสเข้าไปเลยเออสัมผัสกับกวนรู้จึกตัวเข้าไปเลย ยิ่งมายกมเน่หรือไปดูคนป่วยอัน ต, ตาเคยไปดูคนป่วยถ้าเป็นผู้ชายก็จับมือเขางแขนโัโลวโลัวบางคนมันจนมามันจะตายมันเจ็บมากรู้นะวันนั้นไปไปดูคนป่วยที่ไปดูคนป่วยห้องอซียูบุหรี่ลำ ไปพูดกับพยาบาลที่ดูแลคนวาระสุดท้ายมันก็เป็นผู้หญิงแล้วก็จัากจับเขาอยู่เขาจับแล้กเลยเอากรดิงไปเคาะงอาให้เขาเรียกกันมาเรียกเขเข้ามาก็ก็ก็ได้มันก็ไม่คืนมันมันมันมันมันตายไปแล้วมันตายไปแล้ว แต่บางคนไม่ต้องไปเคาะไปพูดเลยบางคนเคาะออกเคาะก็เลงเคยไปเคยไปทำายือวัดตันสหรัฐอเมริกาเอาเคาะไปเคาะออกไปเคาอกองก็ก็เขารู้สึกว่าเสียงขึ้นบางเขาก็เขาเสียงสังเกตูการตอบรับตอบสนอง เราก็มีเสียงเขาแบบรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เราก็สวดพระสูตรต่างๆเอาไปมาเขาก็รู้สึกตัวนุง่งนอนงใจฟังเราไปเยืนข้างซ้ายไปเยืนข้างขาวาไปเยืนบนหัวไปเยืนข้างหาเขาสวดเดินอันนี้ก็ <c oughs> ถ้าจะกน้นมันเต็มทีแล้วบางทีก็ ช่วยได้บากทีเขาช่วยไม่ได้แล้วมาช่วยตัวเองเดี๋ยวเนี่ยกําลังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีโอกาสช่วยทุกโอกาสยิ่งเราทํางานก็ใส่ความรู้ควาไปใส่ความรู้ควาไปยิ่งเรามาอยู่ที่นี่ยิ่งมีโอกาสโอ้ยสุดหัวจ่อยเราได้สร้างจังหวะได้เคลื่อนไหวไปมามีงานอันยอดเยี่ยมงานชอบ มีความรู้สึกตัวทำได้ไม่เสียเป็นไหนพลิกมือขึ้นก็รู้ยกมือขึ้นก็รู้วางมือนี่ก็รู้พลิกมือรู้รู้เจ็บเอาเจ็บเอาอาริซับเนี่ย <c oughs> ไม่รอเม่เดืดเชี่ยววินาทีเราทางานทำการยังรอกว่าจะได้ปลูกข้าวกว่าครึ่งปีปลูกพริกก็เท่ารอยปลูกปกปบุ้งยี่สิบวัน กะลำไปนี่ประมาณกีวันล อ, อ่นนั้นเนี่ยอันนี้มันทันทีทันทีเลยเขาได้ประโยชน์ทุกกรณีเร่งไม่ทั่วเร่งไม่เสียทั่วไม่เสียมันลงก็รู้มันทุกก็รู้มันสุกก็รู้มันผิดก็รู้อะไรก็ตามมันจะเด้งมาทางกายทางใจรู้ นี่แหละการงานชอบนี่แหละสมมาทิติสมมาทิติเกิดขึ้นขณะที่เราไม่มีความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปท่องจอมไม่ใช่ไปหาอะไรคําตอบคิดเหตุผลเป็นการสัมผัสรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่เคลื่อนไหวก็รู้ได้นะอาจจะพิบตาอาลิบทเล็กแต่น้อย ยิ่งมีการยืนเดินนั่งนอนยิ่งชัดเจนแม่นยำเราไม่ได้นอนอยู่บนเตียงถ้าไปนอนบนเตียงแล้วจึงไปสอนกันมันก็เจ้าไม่ได้ป้องกันดีกว่าการแช่ขยให้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันรู้เดี๋ยวนี้มันจะเหนือกันเกิดเจ็บตายเสร็จเลยสำเร็จชีวิตของเรา เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวท่ามกลางเกิความรู้สึกตัวเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปที่สุดความรู้สึกตัวถึงมรรคผลจบโดยทีเดียวไม่ต้องไปศึกษาอันอื่นที่จะต้องอใส่ใจจนเศ่าจนแก่มาศึกษาเรื่องกรรมฐานเริ่มต้นตรงนี้ก็อันอื่นก็ไปได้ง่ายไปได้ง่าย คบ ป, ปงจรคบ ป, ปงจรเลยทีเดียวนะเพราะนี่นนโรกขาดแขนเราจะมาช่วยกันมาทำหน้าที่ของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกไปเลยถ้าเป็นความรักก็ความรักเข้าไปช่วยเหลือเรื่อเมตตาที่คุณ ไม่ใช่ความรักเพื่อเลือกร้กองให้เขาตอบแทนเราผมรักจริงๆพูดชอบเป็นยอดักรักถ้าเกิดความรักจากชีวิตจริงๆเห็นความรักกันในชีวิตจริงๆมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วไปอยู่กับสิ่งอื่นวัตถุอื่นแสดงออกได้ถ้ามีความรักรถ้าไม่มีความรักแบบ พระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้าไปยอนตักๆแล้วก็ก็ขาดแทนในก็เมตตากรุณาที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทุกสิ่งทุกอย่างรักเม่เห็นไม่ตินรักตนไม่รักอากาศกว้างใหญ่ไพศาลได้แบาอปิมัญญาดีดีธรรมะแล้วเห็นคนโกรธคนเห็นคนทะเลาะก็นเห็นคนเบียดเบียนกันโอ้ยเป็นไปได้ยังไง ชีวิตของคนเหล่านี้มันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วหายใจเข้าหายใจออกมันก็ทุกข์อยู่แล้วต้องกินต้องทายต้องหลับต้องนอนทำไมาหากินมีอาชีพม้นก็เดือดร้อนอยู่แล้วไปทําให้กันลําบากทํำไมต้องมาช่วยกันอย่างนี้มาปฏิบัติธรรมอย่นี้ มาอยู่ที่นี่นว่าแล้วมาอยู่ที่อยู่ด้วยกันนี่น ม, มีคนเมตตาสงสารช่วยเราอยู่ว่านีาาหน่หมอนายแพทย์ทั้งคู่แพทย์หญิงแพทย์ชายเอาผ้ากันหนาวมาจากคอนเทนน์นุ่นมาส่งให้พวกเราโอ้ก็ช่วยเหลือยราอยู่ว่าเห็นเราหนาวอากาศหนาวคิดถึงเอ้พระสงฆ์สุกโต คิดถึงพระสงฆ์หาวันเขายังจะไปมหาวันอยู่เอาไปช่วยจังเขาถามหลวงต่อมีพระเยอะไหมอาจจะมาเยอะ อ, อ๋อนี่ก็แบ่งเป็นไปได้เขาว่าพอไหมถ้าไม่พอจะไปเมื่อหนาวใช่ไหมเด็กไม่ขี่ไม่ได้ <laughs> ย่าจมก็ไม่ได้เลยอ๋อ น, นี้ก็คนช่วยเราอยู่ว่าแต่เราทําดีเถอนะไม่อดไม่อยาก เทวดาก็ช่วยอก็อินพระผมช่วยตัวเราช่วยกันจะไหนมีใครทะเลาะ ก, กันไหมหยุดนะอย่าทะเลาะ ก, กันนะแม่ขี่ทะเลาะ ก, กันไหมไม่ต้องทะเลาะ ก, กันใจดีตํำน้ำพริกออพริกก็ไม่เผ็ดถ้าใจดีตำน้ำพริกกินไม่เผ็ดเลยแ ซ, แซร็จถ้าใจร้อนทาไม่ดี <laughs> จินไมดนะ่ดีใจดีรู้ปรุงอาหารเป็นเทวดาได้อาหารจากเทวดามีน้ำใจคิดให้เรานะเพวกเราก็กินอาหารเทวดากันอยาเป็นมานเป็นภัยให้มีน้ำใจต่อกันนั้นกบหลาณปลูกแตงลงไปปลูกตัวลงไปนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทาน ก็มีน้ำใจแบบนี้ทึกวันนี้กูเจอขาดทุนกูจะได้กำไรไหมเนอะกูได้เงินค่าแรงเท่าไรเ น, หนาะยิ่งมีน้ำใจนะอ่ยิ่งแยมแจ่มใสทำไรก็ได้บุนได้บุนคือความดีเกิดขึ้นจากเรานี่จากรูปจากนามนี่าก็าพูดสับไปเหรอสมควรจเจร้อมกัน